การปฏิบัติธรรมเราเริ่มจากความผ่อนคลายสบายเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายสบายเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่ทําอะไรไม่พยายามจะทําอะไรทั้งนั้นเรานั่งสมาธิชื่อมันดูยากๆแต่ในความเป็นจริง เป็นแค่การนั่งเป็นแค่การนั่งหลับตาเฉยๆแต่แทนที่จะนั่งหลับหรือว่านั่งคิดฟุ้งซ่านเราก็นั่งเห็นร่างกายนี้กำลังนั่งอยู่เห็นด้วยความรู้สึก ไม่มีการที่ว่าจะต้องทำอะไรต้องจัดการจิตใจให้มันสงบต้องบังคับจิตใจไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่มีการทำแบบนั้นมีแค่กิริยารู้กิริยาเห็น กายและใจนี้ตามความเป็นจริงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นนั้นทั้งหมดที่กำลังถูกรู้ความรู้สึกทุกอย่างในกายในใจที่กำลังถูกรู้อยู่ไม่ใช่เรา อย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าต้องทำอะไรที่พิสดารมันเหมือนเราเคยทำงานในโลกเราให้ความสนใจกับงานชิ้นนั้น เคยทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราสนใจเครื่องจักรเราก็รู้จักเครื่องจักรเป็นอย่างดีเคยทำงานสร้างตึกเราก็รู้จักกระบวนการรายละเอียดข้อควรระวังต่างๆในการสร้างตึกอย่างดี เราเคยทำอาชีพอะไรเราก็เข้าใจสิ่งสิ่งนั้นอย่างทะลุปูปุปโงงก็ด้วยความที่เราให้ความสนใจกับมันเพราะนันการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน เราไม่ได้ต้องทำอะไรผิดแผกแตกต่างจากที่เราเคยทำในชีวิตเรามาเลยการปฏิบัติธรรมคือการให้ความสนใจในรายละเอียดของกายและจิตนี้ว่ามันเป็นยังไง จนเข้าใจทะลุปลุกปลงเหมือนที่เราเคยเข้าใจอะไรๆในโลกที่เราทำมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเข้าใจแก่นของการปฏิบัติธรรมเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ใช่ต้องการคนมีความสามารถพิเศษอะไร เราต้องการแค่ความสนใจมีพอไหมความสนใจมีความอดทนเพียงพอจะสนใจไหมหรือชอบไปคิดเรื่องอื่น สังเกตตัวเองทั้งวันมีความสนใจเพียงพอไหมไปหาทางนู่นนี่นั่นวิ่งหาครูบาอาจารย์ฟังทุกอย่างอ่านทุกอย่าง แต่ไม่สนใจกายและจิตนี้เท่าที่ควร สนใจมันเรียนรู้มันเห็นกายและจิตนี้ตามความเป็นจริงเราสังเกตไหมว่าทุกวันนี้เรายังมีความสุขร่างกายนี้ยังให้ความสุขได้จิตใจนี้ยังให้ความสุขได้ เรามีหน้าที่เห็นไปเรื่อยๆจนเห็นทั้งกายและจิตนี้มีแต่ทุกข์มันเป็นไปได้ยังไงจากที่มันเคยได้รับความสุขจากมันทำไมมันเหลือแต่ทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราต้องพิสูจน์ ถ้าเราเห็นอะไรอะไรในโลกนี้ก็น่าเบื่ออะไรในโลกนี้ก็มีแต่ทุกข์เรากาลังเข้าถึงความลับของชีวิตอะไรอะไรที่เป็นทุกข์เราอยากได้ไหมเราอยากเป็นเจ้าของมันไหม เราจะถูกมันหลอกได้ไหมจะถูกมันครอบงำได้ไหมเรามีแต่ความอยากจะคลายออกจากสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรายังเห็นเป็นสุขอยู่เรามีแต่จะติดกับมัน เรามีหน้าที่ให้ความสนใจกายและจิตนี้จนเข้าใจความลับของชีวิตความลับของธรรมชาติของชีวิตนี้เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจไม่ต้องแต่เด็กจนโตนั้นผิดหมด เราใช้ชีวิตที่ผิดมาตลอดชีวิตทำไมผิดเพราะว่าเข้าใจผิดก็ต้องใช้ชีวิตผิดอย่านึกว่าตัวเองใช้ชีวิตถูกเรามีลูกมีหลานสอนลูกสอนหลานผิดผิดต้องยอมรับว่าเราทำผิดมาตลอดชีวิตติดใจที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิจะทำถูกไม่ได้ เพราะนั้นเราอย่างภูมิใจไม่ได้ว่าเราดีแล้วความคิดเราถูกแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความคิดความเห็นที่ถูกที่ตรงเราต้องเข้าใจความจริงสูงสุดของชีวิตนี้ก่อน คนเราเถียงกันทะเลาะกันเพราะมันยืนอยู่บนทิฏฐิคนละอยา่างพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันเพราะยืนอยู่บนสัมมาทิฏฐิเดียวกันเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกัน แต่พวกเราอยู่ภายใต้มิจฉาทิฐิแรงเบาต่างกันไปแล้วก็เถียงกันอยู่นั่นทะเลาะกันอยู่นั่นปฏิบัติธรรมก็ทะเลาะกันคิดเป็นตัวเป็นตน เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเป็นเจ้าของความคิดเราตกตกจากชีวิตที่แท้จริงที่มีแค่รู้สึก ลองสังเกตดูว่าเวลาเราเข้าไปจับไปยึดอะไรเข้ามันหนักไหมทุกไหมความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมันดีไหม กับชีวิตตอนนี้แค่รู้สึกแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งอยู่แบบนี้แค่รู้สึกแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายตอนนี้ สบายกว่ากันัหมทำไมสบายเพราะไม่ได้เข้าไปจับไปยึดทิฐิอคติความเป็นตัวเราความเป็นเรา เหลือแค่รู้สึกที่นี่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกที่นี่เดี๋ยวนี้ เป็นของใครไหม มีใครจะขมโมยความรู้สึกที่นี่เดี๋ยวนี้ที่เรารู้สึกอยู่ไปได้ไหม ต้องแสวงหาความรู้สึกที่นี่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาไหมมันมีอยู่แล้ว เราแค่ไม่เคยสนใจมันแค่นั้นเอง ให้ความสนใจกับที่นี่เดี๋ยวนี้สมาธิจะเกิดขึ้น ก็จะเริ่มเห็นกายและจิตนี้ตามความเป็นจริงได้จิตไปคิดจะเห็นได้จิตปรุงแต่งอารมณ์จะเห็นได้กายขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวจะเห็นได้ เรามีหน้าที่แบบนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเรามีหน้าที่แบบนี้ เราจะเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆจนเห็นแต่ทุกข์นั่นแหละจนเข้าใจว่าชีวิตนี้คือโศกนาฏกรรมของการเกิดมา ลืมเส้นทางเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจึงหลุดพ้น อย่าหนีความจริงอย่าเอาแต่ความสุขไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ความสุขไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตมันดีไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะรวยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะโชคดีไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะไม่ป่วย ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงว่ามีแต่ทุกข์ จิตนั้นแสดงความทุกข์ตลอดเวลาเคยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ไปนี่เดี๋ยวมันก็ไปนั่นเดี๋ยวมันก็ไปติดกับภาพนี้เดี๋ยวมันก็ไปติดกับสัญญานั้น ควบคุมบังคับไม่ได้เวลามันไปติดกับอะไรเข้าจิตมันก็หนักเคยรู้สึกไหมจิตหนักเป็นยังไงมันหนักเพราะมันไม่อิสระ แล้วเราห้ามมันได้ไหมไม่ได้ทุกข์มบังคับอะไรก็ไม่ได้ เนั้นทุกเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เห็นตามความเป็นจริงจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่หลวงพ่อพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดว่าทำไมโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้นๆนตอนนี้เรายังเข้าใจไม่ได้ เราเพียงแต่ฟังเข้าใจได้บ้างนึกตามได้บ้างแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่เราไม่เลิกที่จะปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเราจะเข้าใจเหมือนกัน ถ้าเรายังไม่เลิกจะสนใจร่างกายและจิตใจนี้เราจะมีโอกาสเข้าใจความจริงตามที่พุทธเจ้าบอกได้ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ ความสาคัญอยู่ที่เรารู้จักหลักปฏิบัติธรรมและมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนเป็นตัวช่วยเฉย บอกหลักให้เป็นกำลังใจให้แต่สำคัญที่สุดคือเวลา เรามีเวลาพอไหมเหมือนหลายคนที่ปฏิบัติธรรมพอเวลาผ่านไปเกิดความเข้าใจอะไรมากขึ้น บางทีก็มาบอกใช่ไหมว่าอุ้ยผมพูดไปตั้งนานแล้วแบบนี้ฟังคลิปประโยคนี้มาตั้งหลายทีเพิ่งจะเข้าใจเนี่ยปัจจัยสำคัญคืออะไรเวลา ต่อให้ครูบาอาจารย์เก่งขนาดไหนก็แพ้เวลาทุกคนต้องใช้เวลา คนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งที่สุดท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางทำมากกว่านั้นไม่ได้ เพราะนั้นเราทุกคนอย่าเดือดร้อนอย่าอยากก้าวหน้าให้เวลากับตัวเองเวลาจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา หลักที่ถูกต้องแล้วอย่าเลิกอดทนเวลาจะอยู่ข้างเราเสมอ ที่รู้สึกเกร็งแน่นให้หายใจออกยาวๆอย่าพยายามอย่าพยายามจะทำอะไรอย่าพยายามที่จะไม่หลง มีหน้าที่แค่เรียนรู้หลงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งเหมือนกัน บางคนมานั่งสมาธิคิดว่าจะได้อะไรบางทีมานั่งแล้วไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรคืออะไรไม่ได้รับความสุขอย่างที่ตัวเองคาดหวังเพราะนั้นดีเหมือนกันฝึกที่จะไม่ได้อะไรบ้างเหลือแค่รู้ โดยแค่รู้สึกไม่มีใครได้อะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีใคร คคิดสร้างความเป็นเราขึ้นมารู้ทันความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่กับรู้สึก ชีวิตที่มีตัวเรานั่นคือส่วนเกิน